ไอ้มีดมัตชะเนี่ยมัตชันันามะเนี่ยนะในอัตรกรถาหน้า242อธิบายว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะตะใบเหล็กกล้าด้วยเหล็กแล้วก็ขยำผงเหล็กนะนะั้นอ่ะกับเนื้อให้นกกเรียนกินเรียกว่าเหล็กเนี่ยไม่ใช่เป็หลอค่อยๆหลอมแบบเขามีกรรมวิธีการหลอมเอาเหล็กมาแล้วก็ตะใบเหล็กเนี่ยนะตะใบเหล็กให้มันเป็นผงเหล็กเมื่อผงเหล็กเสร็จก็ไปขยำคลุ ก, กกับเนื้อให้นกกเรียนกิน นกกระเรียนเหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อกินเนื้อที่ผสมเหล็กนะเนื้อครึ่งหนึ่งเหล็กครึ่งหนึ่งเนี่ยนะกินเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะถ่ายอุจจาระได้ก็ตายเนี่ยนะหรือถ้ากินแล้วนกไม่ยอมตายเนี่ยทรมานก็จะฆ่านกให้ตายเพราะฉะนั้นอาศัยท้องของนกเนี่ยเป็นตัวอาเรียกว่าตัวเผาผลาญตัวย่อยย่อยเหล็กเนี่ยนะเมื่อนกเหล่านั้นอ่าตายเสร็จแล้วก็ผ่าท้อง แล้วก็นำน้ำําล้างเอาแต่ผงเหล็กเอาไว้เนี่ยนะียดว่าเพราะปกติอุจาระมันจะลอยเหล็กมันก็จะตกตะกอนเนี่ยนะก็เอาเทอุจาระนกทิ้งออกไปก็เหลือแต่เอาเอาแต่ผงเหล็กแล้วเอาผงเหล็กอันนี้ไปคลุกกับเนื้อนกอีกทีหนึ่งไปคลุกกับเนื้อเนื้อเนี่ยนะแล้วก็ผสมเนื้ออันนี้ใในกกยให้กับเหล็กเออให้กับนกกระเรียนนี้กินนะนะแล้วก็นกกระเรียนก็ท้องอืดท้องอะไรตายเนี่ยนะนะเพราะว่าไอ้ระวังที่ ท้องมันอืดมันย่อยระหว่างที่มันย่อยแล้วมันขัดถ่ายไม่ได้มันจะเกิดการเตโชทา่าที่อยู่ภายในท้องมันก็จะสร้างความเร่าร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอาความร้อนที่เตโชทา่าที่เกิดจากกรรมของนกกรเรียนเนี่ยนะมาเผาผลาญทําให้เหล็กเนี่ยร้อนมีมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นทําอย่างเงี้ยนกตายประมาณเจดตัวเนี่ยนะนกตายประมาณเจทอดเนี่ยนะทีนี้พอเสร็จแล้วก็ช่างเหล็กที่ศึกษาดีแล้ว ก็เอาไอ้ไอไอผงอันนั้นมาหลอมเป็นเหล็กก็เป็นมูลเหตุหัตถกรรมเป็นอันมากกระทำเป็นอาวุธอาวุธนั้นชื่อว่ามัตะชะเพราะเกิดจากนกที่ตายแล้วพันอาวุธนั้นเป็นอาวุธที่คมมากพอใช้เหล็กอย่างพิเศษเนี่ยนะแล้วก็บวนการกรรมวิธีที่วิจิตพิสดารเนี่ยนะเป็นเป็นอาวุธที่เรียกว่าภาษาสมัยใหม่เรา ว, วิญญาณนกสิงอยู่ว่งั้นเลยมันมีพิษเฮี้ยมโหแลวก็โหดร้ายมาก น, นบอกว่าพระพิสุเหล่าใดที่ไม่มีคุณธรรมที่สร้างความเป็นสมณะตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลธรรมบาปประธรรมสิบสองประเภทมีใจประกอบด้วยอภิชามีใจพยาบาทมีใจผูกโกรธมักถือโกรธก็คือผูกใจโกรธลบหลูดแข่งดีริษยาตรีโออวดมีมารยาปราถนาด้วยจิตที่เป็นบาปมีความเห็นผิด อุโสลธรรมทั้งสิบสองอย่างเหล่านี้ที่ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ในใจเนี่ยนะใจของเขาไม่ต่างอะไรจากอาวุธชั่วร้ายที่กล่าวไปแล้วในสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับระเบิดเหมือนกับยาพิษเนี่ยนะเหมือนกับพวกเอ่อจรวดเนี่ยนะเป็นพวกมาเหมือนจรวดที่สร้างแต่ความเสียหายเนี่ยเหมือนกับขี่ปนาวุธที่ร้ายแรงและก็อันตรายเนี่ยนะพอสร้างสร้างความเสียหายให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจํานวนมากฉันใดภิกษุที่ มาไปด้วยอกุศลนั้นก็ชั่วต้ายอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นภิกษุทั้งหลายข้อ481บอกว่าบุคคล น, นั้นเนี่ยนะบุคคลที่มีอกุศ ล, ลจิตหรือมีอกุศลความชั่วร้ายอยู่ในภายในทั้ง12อย่างเหล่านี้ถึงจะครองผ้าสังาติอยู่ใช้ผ้าสังขติเนี่ยนะแบบนักบวชภายนอกอะเราก็ หากกล่าวว่าเป็นสมณะด้วยการคลองผ้าสังขาติไหมคือถ้าใจมันชั่วร้ายขนาดนั้นเนี่ยนะถึงห่มผ้าสังขาติอยู่มันก็ไม่ได้เป็นสมณะเพราะห่มผ้าสังขาติหรอกเนี่ยนะอย่างที่พระอารหันต์สมัยก่อนท่านว่าสุนักจิ้งจอกเนี่ยนะมันถึงเอาหนังราชสีมาห่มมันก็ไม่ได้กลายเป็นราชสีเพราะนุ่งห่มหนังราชสีหรอกเพราะตัวอะไรเพราะตัวสรรชาติเชื้อชาติ อนะนิสัยมันก็คือสุนัขจิ้งจอกวันยังค่ําจะกลายเป็นราษฎร์ีเพราะเอาเพียงแต่เอาเพียงแต่หนังมานุ่งห่มไม่สําเร็จฉันใดผู้ที่มีความชั่วร้ายจิตใจที่เป็นบาปเปื้อนด้วยอกุโสลธรรมทั้งหลายที่อยู่ในภายในทั้งสิบสองประเภทเปื้อนด้วยความเศร้าหมองเหล่านั้นถึงจะครองผ้าสังขารติสังขารติไม่ได้ช่วยให้เป็นสมณะอะไรเลยเพียงแต่หลอกลวงคนที่ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเพื่อความเป็น สมณะเนี่ยนะปกปิดบังซ่อนเร้นได้เพียงแต่นิดหน่อยเหมือนนายพรานนายพรานที่ข้าช้างเอาผ้าของพระประเจกกับพูุ้ทธเจ้าไปนุ่งไปห่มเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ประกอบด้วยอากุศลธรรมทั้ง12ชนิดอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะถึงจะถือเพศเป็นชีเปลือยไม่หนุ่งห่มผ้านะนะร่างกายภายนอกเนี่ยไม่ได้นุ่นุ่งห่มผ้าเลย เป็นนักบวชนุ่งลมหอมอากาศเนี่ยนะอินเดียนี่มีก็ไม่ได้เป็นสมณะเพียงศักด์แต่ว่าไม่นุ่งลมอ่ไม่นุ่งผ้ า, านะเรียกว่าเปลือยกายกลายเป็นคนแก้ผ้าเนี่ยนะการเป็นคนแก้ผ้าไม่ได้ทำให้เป็นสมณะคือสงบบาปอากุศสละธรรมทั้งหลายเลยพฤติกรรมคือการแก้ผ้าไม่ได้ช่วยแก้ปัญห า, านะทำให้ดับดับบาปดับอกุศลดับกิเลสดับทุเจริตอะไรได้เลย ถึงเขาจะถือถือการหมักหมมเหงือ่อใครหมักห ม, มมเหงื่อใครก็คือทําตัวเรียกว่าไม่อาบน้ําไม่อะไรเนี่ยนะหมักแปดเปื้อนไปด้วยทุรีไม่เคยส่งน้ําไม่เคยอาบน้ําเป็นเดือนๆเป็นปีๆเนี่ยนะจนผิวพันธ์เนื้อเตอตกเป็นคุยเป็นสะเก็ดไปหมดเนี่ยนะไอการไม่อาบน้ําอย่างนั้นหมักห ม, มมด้วยเหงื่อใครเป็นต้นทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้เป็นสมณะอะไรเลยเพราะนั้นทําตัวแบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้สําเร็จความเป็น สมณะเพราะอะไรเพราะความชั่วร้ายที่อยู่ในใจสิบสองประการนั่นแหละมีอภิชาพยาบาทเป็นต้นเนี่ยนะที่แฝงลึกอยู่ภายในตัวนั่นแหละทำให้ไม่ได้สำเร็จ ใ, ในความเป็นสมณะบุคคลนั้นถึงจะถือการลงอาบน้ำวันละสามครั้งก็ไม่สำเร็จความเป็นสมณะเพราะการอาบน้ำไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้พ่องแผ้วพ่องใสด้วยการลง อาบน้ําเลยเพราะฉะนั้นอาบน้ําในแม่น้ําคงคา ย, ยมุนามมหีสรพูเป็นต้นไม่ได้สําเร็จทําให้เขาบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะพันการลงอาบน้ำเนี่ยนะไม่ได้ชําระอกุศลธรรมทั้ง12ประเภทของเขาไปได้เลยหรือบุคคล น, นั้นจะถือการอยู่ใต้ต้นไม้เป็นนิดก็ไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเพราะอยู่โคนไม้นี่นะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพียงแต่ศักแต่ว่ากิริยาที่อยู่ภายใต้โคนไม้ไม่อยูอ่ภายใต้กุฏิที่มีหลังคาอะไรเป็นต้นถึงจะอยู่แต่เพียงใต้โคนไม้ก็ไม่ไดท้ทำให้สำเร็จความเป็นสมณะสงบบาปอากุโสลธรรมทั้งหลายเลย ถึงจะอยู่กลางแจ้งเนี่ยนะถึงจะอยู่กลางแจ้งกระด้างแบบถือธุปงแบบโง่เขลาเนี่ยนะไปอยู่ในกลางแจ้งเฉยๆโดยที่ไม่รู้จักวิธีที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อดับกิเลสถึงจะไปอยู่คลางแจ้งจงแจ้งขนาดไหนก็ไม่ได้เป็นส ม, มณะเพราะอยู่ในที่แจ้งไม่หรือจะเป็นสมณะเพราะการอบกายทรมานกายทําทุกขะกิริยาทําตัวให้ทุกข์ให้อยากให้ลำให้ยากให้ลําบาก อบกายเบียดเบียนกายทรมานกายเป็นฤาษีดักตนเป็นต้นก็ไม่ได้ทำให้สำเร็จความเป็นสมณะอะไรเลยถึงจะบริโภคอาหารเนี่ยนะมีการกำหนดเป็นครั้งคราวคือพวกนี้เป็นพวกที่อดอาหารหรือว่าลดอาหารนานๆกินทีหนึ่งเนี่ยนะนานๆกินสักทีหนึ่งเป็นต้นไอ้อาการที่อยู่ด้วยการอดอาหารเป็นต้นการไม่กินอาหารเป็นต้นไม่ได้ทาให้เป็น สมณะเลยไม่ได้สําเร็จความเป็นสมณะเลยหรือจะท่องบนคัมภีร์พระเวททั้งหลายได้มากก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสมณะเพราะท่องบนคำภีร์พระเวททั้งหลายเนี่ยได้มากถึงจะกล้าวผมเป็นกระเสิงเนี่ยนะเอากระหวะเป็นผมเป็นกระเซิงแบบเหมือนกับคล้ายๆกับผีบ้านเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นสมณะเพราะกล้าวผมทําผมให้กระเสิงแบบนั้นได้เลยเพราะอะไรพิกูจนทั้งหลายก็เพราะว่า ถ้าบุคคลจะครองผ้าสังคาติแต่มีอภิชามากคือจริงๆแล้วไอ้ไอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ละกิเลสละอกุสโธรรมทั้งหลายได้เลยถ้าเกิดว่านุ่งผ้าสังคาติอย่างนั้นแล้วเพียงสักแต่ว่านุ่งพังครองนุ่งหมผ้าสังขารติเนี่ยนะตัวเองปกติมีอภิชาหมผ้าสังคาติแบบนี้ก็ละอภิชาได้ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทเอาผ้าสังขาติมาหม ก็กำจัดพยาบาทได้ น, นะมีความโกรธเอาสังคติมาห่มก็ละความโกรธได้เป็นผู้ที่มักมักโกรธเนี่ยนะขี้โกรธเนี่ยเสร็จแล้วเอาผ้าสังคติไม่ใช่มหม่มแล้วก็ละความขี้โกรธได้เป็นคนที่ลบหลู่ตีเสมอเนี่ยนะไม่ใช่ว่า เอาผ้าสังขติมนุ่งมาหอมแล้วก็จะละความลบลู่ตีเสมอออกไปได้หรือเป็นคนที่มีริษยามีความตรนีไม่ใช่เอาผ้าสังขติมนุ่งมาหมแล้วจะละความริษยาความตรนีออกไปได้เป็นคนที่มีโอ้อวดเนี่ยนะโอ้อวดแล้วก็มีมายามีมายาหลอกลวงเล่เหลี่ยมในภายในเนี่ยนะถึงจะละถึงจะครองผ้าสังขติก็ไม่ได้ทำให้ละไอความโอ้อวดมีมายาในภ า, ายในได้ มีจิตใจที่ปรารถนาด้วยอกุโสลเจตนาที่ชั่วร้ายมีความเห็นผิดไม่ใช่ว่าเอาผ้าสังคาติมานุ่งมาห่มมาครองแล้วก็จะทำให้กําจัดความปรารถนาชั่วร้ายหรือมีความเห็นผิดไปได้เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าครองผ้าสังคาติเนี่ยนะแล้วกาจัดอกุโสธรรมทั้งหลายได้เนี่ยนะเขาทั้งหลายก็จะให้ครองผ้าสังคาติมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะเกิดมาปั๊บก็เอา เอาสังขาติเนี่ยมันนุ่งมาคลุมตัวเลยแล้วก็ชักชวนให้ผู้นั้นครองแต่ผ้าสังขาติมาเชิญชวนกันว่ามาเถิดท่านท่านจงครองผ้าสังขาติเถิดเมื่อท่านครองผ้าสังขาติอากุศลธรรมทั้งเศร้าอันเศร้ามองทั้งสิบสองอย่างเนี่ยนะคืออภิชาพยาบาท ความกโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความแข็งดีความริษยาความตนีความโอ้อวดมีมายาปราถนาด้วยจิตเป็นบาปเป็นมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นเพียงแต่ท่านมานุ่งห่มผ้าสังคาติความชั่วร้สารพัดอย่างทั้งสิบสองประการเนี่ยนะจะกำจัดได้หมดก็คงจะมีการชักชวนกันให้มานุ่งห่มผ้าสังขาติ เพราะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมอนุภาพของสังคาติเนี่ยไอยตัวผ้าเนี่ยไม่ได้ทำให้ขจัดอับาบอคุโสลธรรมทั้งหลายออกไปได้เลยเพระองค์บอกว่าเราเนี่ยเห็นบุคคลผู้ครองผ้าสังคาติแต่ภายนอกคือห่มแต่กายแต่ใจมีอภิชาห่มผ้าสังคาติภายในกายแต่ใจมีพยาบาทห่มผ้าสังคาติเพียงแต่ในกาย ใจเนี่ยอยู่ด้วยความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ความตีเสมอความแข่งดีความริษยาความตณีโอ้อวอดมีมายาปราถนาด้วยจิตอันเป็นบาปมีความเห็นผิดไม่ได้ละความเห็นผิดอะไรเลยเนี่ยนะเพราะเห็นเห็นว่าเพียงแต่นุ่ ง, งห่มผ้าเป็นต้นอ่ะไม่ได้ทำให้สำเร็จเลยเพราะฉะนั้น พระองค์จึงบอกว่าเราไม่กล่าวความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงศักแต่ว่าครองผ้าสังขาติเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าโลงศพถึงจะสีสวยวิจิตรลวดลายงดงามปานใดถ้าหากว่าเปิดฝาโลงออกมาดูมจะเป็นยังไงกลิ่นจะหอมบ้างไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันใดเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีจิตใจชั่วช้าเลวร้ายเนี่ยนะ จะเอาอะไรมานุ่ง ม, มาห่มมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์จะแต่งองค์ทรงเครื่องยังไงมันก็คือคนที่ชั่วช้าเลวร้ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่เอาสังคาติมานุ่งห่มก็ไม่สำเร็จไม่สามารถกำจัดอากุศลอันชั่วช้าทั้งสิบออย่างได้ ถึงจะถือเพศเป็นชีปเปลือยไม่นุงไม่นุ่งผ้าอะไรเลยก็ไม่สามารถกําจัดอกุศลธรรมเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะคนชีปเปลือยที่ไม่นุ่งลมผู้ที่ไม่นุ่งผ้าทั้งหลายเนี่ยถ้ามีพระองค์ก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้กําจัดความชั่วร้ายอะไรเลยพระองค์เห็นแต่ความชั่วร้ายทั้ง12อย่างที่อยู่ในใจของพวกชีปเปลือยทั้งหลายเพราะนั้นพระองค์จึงไม่สรรเสริญในความเป็นชีปเปลือยไอความเป็นชีปเปลือยไม่ได้ทําให้สําเร็จความเป็น สมณะเนี่ยนะเพราะอะไรไม่ได้ไม่สงบอภิชาไม่ได้สงบพยาบาทไม่ได้สงบความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความแข่งดีความริษยาความตนีความโอ้อวดความมีมายาจิตใจที่ปรารถนาจิตที่เป็นบาปหรือไอความที่เป็นนุ่งชีทําตัวเป็นชีเปลือยไม่ได้กําจัดมิจฉาทิฐิอะไรออกไปเลย เพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นเนี่ยนะจะถือการไม่อาบน้ำํำจะถือการไม่อาบน้ําหมักมอ ม, มเอาไว้เดี๋ยวอาการหมัก ม, มมไม่อาบน้ําแล้วมันจะกําจัดอภิชาพยาบาทเป็นต้นมันกำจัดไม่ได้หรอก อ, อาการที่หมักห ม, มมเนี่ยนะมันไม่สามารถกําจัดได้หรอกถ้าหากว่าไอความหมักมมด้วยเหงื่อใครไม่อาบน้ําชําระกายสามารถกําจัดอภิชาได้ สงสัยเขจะมีการปฏิบัติครอปฏิบัติอันนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยนะพ่อแม่ทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายก็คงจะมีการโฆษณาชักชวนชวนเชื่อว่าเนี่ยทําตัวให้หมักมมมากๆแล้วจะละกิเลสได้หรืออาบน้ําวันละสามรอบอาบน้ําบ่อยๆแล้วก็จะชําระกิเลสได้ถ้าอาบน้ําแล้วล้างกิเลสออกไปได้จริงปลาและเต่าที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะมันก็คงบริสุทธิ์กันหมดแล้วนะสัตว์น้ํากับสัตว์บกไหนามากกว่ากัน สัตว์น้ำมากกว่าแต่สัตว์น้าถูกฆ่าวรรคกิตันนะนะเพราะฉะนั้นการเป็นสัตว์น้ําไม่ได้ทําให้ชําระบาปอะไรได้เลยเฉะั้นคนไปอาบน้ํามันจะไปล้างบาปล้างอากุศลทั้งหลายออกไปได้อย่างไรหรือถ้าหากว่าน้ำเนี่ยมันล้างบาปได้มันก็ล้างบุญได้เหมือนกันแหละเนี่ยนะใช่ไหมถ้าน้ําล้างของสกปรกได้มันก็ล้างของสะอาดออกทิ้งออกไปได้เพราะอะไรเพราะธรรมชาติของน้ําเป็นเครื่อง ชะล้างถ้าน้ำล้างดีได้มันก็ล้างชั่วได้ถ้าล้างชั่วได้มันก็ล้างดีได้แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะนะน้ำเนี่ยล้างได้แต่เพียงฝุ่นละทุลีละอองที่เปื้อนกายเท่านั้นมันการอาบน้ำล้างกายไม่ได้ทําให้ล้างใจได้อาจจะคลายผ่อนคลายได้นิดหน่อยนะแต่ว่าแหวนหนักอกหนักใจต่อให้ไปแช่น้ำมันก็ไม่ได้สบายใจหรอกเนี่ยนะนะ